พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2555มีชื่อเรื่องว่าทมบุญตามกำลัง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 ให้พวกเราได้เข้าไปชมไปดูแต่ตามไม่จริงการที่ปิดไม่ให้ศรัทธาญาติโยมเพ่นพ่านก็ไม่มีจุดอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นเพียงแต่ว่าเมื่อพระสงฆ์เข้าไปจันทจังหันเสร็จแล้วท่านก็กลับกุฏิของท่านท่านที่เป็นนั่งภาวนาเดินจงกรมสาธยายท่องหนังสืออะไรของท่านก็เป็นเอกเทศของท่าน แต่พวกเราศรัทธาญาติโยมมาจากต่างถิ่นต่างแดนคนนั้นก็เข้าไปคนนี้ก็เข้าไปมันไม่ใช่ไปหมู่เดียวมันไปหลายหมู่เหลืหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะก็มีเด็กพี่ผู้ใหญ่กไปเห็น <c oughs> แกล้งเพ้ น, เ ห, นเห็นหมูปลาเห็นเลีงข้างบางชนีดอะไรมันก็โบกเวกโปรยไวย้ไปตามที่เห็นพระสงฆ์ที่อยู่ต้องการความสงบอยู่ตามลําพังก่อนลำคาญ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 แตว่าต้องการความสงบในหมู่พระสงฆ์วันนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่เจ้าภาพจะถวายกุฏิที่พักสงฆ์หลังหนึ่งหลังย่อบย่อมหลวงพ่อก็ไม่ได้ให้ทําใหญ่หรอกแต่รู้สึกว่าจะทำทันสมัยขึ้น <c oughs> ก•ำว่าทําทันสมัยคานี้ก็คือตะกรนหลวงพ่อสร้างกุฏิเหมือนกับอยู่วัดป่าบ้านตาหลวงพ่อได้นาแนวแถวนั้น กุฏิอยู่ด้วยกันสามสีหองค์จะมีห้องน้ําห้องนึ่งแต่ห้องน้ํานั้นก็จะมีรถเข็นตอนเย็นจะมีรถเข็นเข็นน้ํามาใส่ห้องน้ํำมาใส่ห้องน้ําก็พระสงฆ์สามสหองค์ใช้ห้องน้ํารวมกันร่วมกันกับห้องน้ํานั้นอันนี้คือวัดป่าบ้านตาดพอหลวงพอ่อมาอยู่ใหม่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 ถ้าเดินไฟเข้าไปมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายพอสมควรเอาแต่น้าเข้าไปเรื่องน้ำสำคัญกว่าถ้าเดินไปที่มันไกลเพราะนั้นจึงปล่อยสายน้ำเข้าไปสบายเรื่องน้ำไม่มีปัญหานี่แหละอันนี้ก็คือกุติทุกวันนี้ก็มีสายน้ำที่ที่พักพระสง์แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ทำใหญ่ทำหลังเล็กๆแต่ผู้ใดอยากจะเห็นก็เขาไปดู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 ทานเขาบอกเรามีกำลังพอที่จะสร้างได้แต่ถ้ามันหนักหนาเกินไปอันนั้นก็เหมือนกับเราเห็นคุณค่าอยู่แต่เราทำไม่ได้เพราะมันหนักอันนี้ก็เรามีช่องทางอื่นต่างเยอะแยะที่จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลอย่างองค์หลวงปู่จามที่เป็นลวงอาของหลวงพ่อแต่่าต๊เอ้ยเกิดมาในโลกเนี่ยให้รู้จักสถานะของตนเอง เกิดมาภบนี้ชาตินี้เป็นลูกชาวนามีไม่มีทรัพย์สมบัติไปว่า ก, กรรมกรรมลิขิตหรือพรมลิขิตถ้าม า, มาเกิดเป็นลูกชาวนาเราก็มีช่องทางที่จะเดินโยกมนั่งภาวนารักษาสินไหว้พระสวดมนต์ส่วนทานนั้น เ, เราเราจน เ, เราไม่มีทรัพย์สมบัติเราก็รักษาศินเถภาวนาเถเดินโยกลมลเถอเราจะไปคิด เรื่องทานถ้าอเ น, นิสงสิลมีแล้วเกิดภพหน้าชาติหน้ามันจะรวยสีเลนสุขติงยันติสีเลนโพก็สัมปทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วหนึ่งไม่มีสองผู้รักษาศีลต่อไปจะเป็นคนรว ย, ยด้วยอเ น, นิสงสินคุ้มครองณเมื่อรวยแล้วแต่เกิดภพหน้าชาติหน้าเราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราจะทํายังไงก็ได้เราสร้างในเมื่อเรามีอจะกิน เราก็ทําบุญทำทานอันนั้นคือวิญญาณฉลาดวิญญาณฉลาดก็คือในขณะที่ตัวตกอับก็ทําในสถาท่าถึงทําดีที่สุดในเมื่อรวยขึ้นมาเราก็ใช้แบบรวยให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่ารวยขึ้นมาแล้วก็หุ่นหากินเหล้าเมายายาบ่งายาม마คัญชายาฟินเฮโรอีนทอ เ, เที่ยวสัมเเลเทเมาเล่นการพนงพนัน มีเงิ น, นจจงคือม้อนก็จ้างข่าคนนั้นจ้างข่าคนนี้อย่างนั้นอันนั้นแปลว่าวิญญาณโง่เะหลวงปู่จามท่านว่านะใจโง่วิญญาณโง่ถ้าวิญญาณฉลาดนะถ้ามีขึ้นมาเราก็ต้องรู้จักทำบุญทำทานรู้จักสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้มันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อโลกแต่เมื่อเราจนเราก็นั่นไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาอยู่แบบจน ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยมันความหมั่นขยันหาเลี้ยงชีพด้ย ท, ยทางสุดจริตนี่แหละอันนี้คือคือครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนเพราะนั้นแนวความคิดอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายคณะจัทตาญาโยบุบาสกุบาศิกาทั้งหลายในเมื่อตัวเองพอที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้พอมีกาลังเราก็ทาไป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 จะไม่ตกทุกข์ได้ยากแต่ถ้าว่าเรามีแต่หาอยู่หากินเฉยๆเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็นั่นแหละทุกจนทุกจนเพราะใ น, นสงทานไม่มีพระในครั้งพุทธการเห็นไหมพระพาหิยะพระพาหิยะทารุจริยะได้ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงสาวัตถีกลางถนน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 มีบาทมีจีวรมีผ้าสังฆาติมีสะบงมีสายประคตมีกองเข็มมีมีดโกนนวดตัดเล็บมีไหมไม่เคยประภัยยะไม่เคยขนวา่ไม่เคยทำบุญในเรื่องเหล่านี้เลยมีแต่ว่าบาเพ็ญอย่างเดียวมีอาหารมากก็กินกินและเช่นแล้วก็บาเพ็ญอย่างเดียวไม่ได้ขนวา่เรื่องปัจจัยสี่เลว่าอำนวยความสะดวกให้แก่พระสงฆ์ไม่เคยทาบุญทาทาน ในอัตบริขารของพระสงฆ์เลยเพราะพระพองค์พอท่านได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์เนี่ยที่ว่าเห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้อย่าให้ความสําคัญในการรู้การเห็นนะภายะท่านได้สาเร็จเป็นพระหรหันต์คือใจของท่านรู้เห็นจริงจากนั้นพระองค์ก็มองดูบุพกรรมบุพกรรมของพระพายะไม่มีที่จะทําบุญสงเคราะห์นุเคราะห์พระพุทธองค์ก็บอกเออภายะเธอไปหาบริขารเองเธอนะ ท่าได้บริขารมาซะก่อนเธอจึงค่อยบวชเธอจงไปเสาะแสวงหา บ, บริขารก่อนนะเธอจึงค่อยบวชตอนนี้พระพายะดั่งก่อเดินออกจากพระพุทธเจ้าใจของท่านได้สําเร็จเป็นพระาราหันแล้วนะทีนี้แต่ว่าร่างกายหนึ่งเหมือนกับคนเราทั่วๆไปเนี่ยใครไม่รู้ว่าท่านเป็นพระหรหันแต่ใจของท่านเป็นพระหรหันนะท่านเดินออกมาก็กรรมเก่าอีกเหมือนกัน่ะกรรมเก่าในอดีตอไปทํา อะไรให้แก่แม่วัววัวตัวนั้นก็ผูกอาคาตอยู่แล้วนั่นกระโดดก็ามาชนเข้าไปในท้องล้มหงายผึงท่านก็เลยตายแท่านพระหันตายยังไม่ได้บวชพระสงฆ์ทั้งหลายตื่นกลับมาจากบิณทบดีมาเห็นพระภั ย, ยะพระภัยะเป็นโยมนี่ยตายกลับมาก็เลยมาพูดสนทนากันพระพุทธองค์ท่านก็เสด็จกลับมาจากกรุงสาวัตถีมันการบิณทบดีกลับมาแล้วพระพุทธองค์บอกว่า เธอทั้งหลายหาตะแครหาเตียงเนี่ยเตียงตะแครไปหามไปหามเขามาเผาซะนั่นแหละเป็นพี่ชายของพวกท่านเป็นพี่ชายของพวกท่า น, เ, น, าอานเอามาเผาซะพอเผาประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปสร้างสัททูปไว้ในทางสีแพ่งให้คนกราบคนไหว้พระสงฆ์ก็ถามทําไมพระพุทธองค์จึงได้ตัดอย่างนั้นพระพรองค์บอกว่า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 ก็เข้าใจอันนั้นเกิดประโยชน์มีประโยชน์กว่าที่จะฟังทั้งวันทั้งคืนอันนี้พระพายยะท่านได้ฟังหน้อยเดียวแต่ท่านได้สำเร็จเข้าใจในธรรมแต่ในสำเร็จแล้วเพราะนั้นเป็นพี่ชายของพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายให้นำสรีระของพายยะมาไปชมเพลิงซะแล้วก็จัดสถูกขึ้นมาในทางสี่แพ่งให้คนได้กราบไหว้คือกระดูกของพระาธาตุของพระอระหรันต์ พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นทีนี้ก็มาพูดยอดดีกว่าทำไมพระพายะจึงบวชเอหิภิกขุไม่ได้ตามปกติพระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งนั้นอย่างประโกนทะยับพระประพัทยะมาหานามะอจิชิปัญจวคีตั้งห้านพอได้สำเร็จแล้วพระพุทธองค์เอหิภิกขอปัสมปธาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดรมและวินัยเรากล่าวไว้ดีแล้ว ตัดเพียงแค่นี้แหละบริขารลอยมาเลยไม่รู้ลอยมาจากไหนนะมาเกิดเนี่ยท่านก็ได้สวมใส่ตั้ท่านเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเลยนี่แหละอันนี้บอกบวช ด, ด้วยเอหีภิกขุคือบุญบริมีเก่าเคยทำบุญไว้ในอดีตเคยทำบุญทำทานอัดทำบริขารไว้ในอดีตพอได้สำเร็จเป็นพระหานบุญกุศลที่ทำไวนะ้น่ะมันเกิดขึ้นด้วยบุญ แต่พระพายยะเนี่ยท่านไม่เคยขนขวายในการทำบุญไว้ในอดีตเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเธอพายยะเธอจงไป ส, สวยหาบริขารเถอะก่อนนะยังค่อยบุชนี่แหละอันนี้คือบุญกุศลที่พวกเราได้สร้างเอาไว้ที่มาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายเยมื่อเรามีพอเป็นอาจะากินพอมีอันจะได้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ อย่างสร้างเจนาชนะสง์หรือว่าทำสิ่งท้าวอวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาหรือบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลติดพบติดชาติของพวกเรานานเท่านานถ้าพวกเราได้ทํากับพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระรานทส า, าวกขอพระพุทธเจ้าอันนั้นบุญกุศลมากมายแต่พวกเราจะได้ทําแต่จุดนั้นอย่างเดียวถ้าเราพวกเราไม่เตรียมเอาไว้ ไม่เตรียมเอาไว้ไม่ฝึกเอาไว้เราจะคิดคอยวันนั้นไม่รู้ว่าวันไหนเพราะนั้นพวกเราต้องเตรียมเอาไว้ทำเอาไว้ก่อนเมื่อเจอวันนั้นเข้ามาพวกเราก็ทำได้แบบคล่องแคล่วเพราะเราได้เตรียมการไว้แล้วแต่ถ้าว่าพวกเรายังไม่ได้คิดไว้อย่างนั้นไปก่อนเวลาเราจะทำอะไรก็ช้าเชืองช้าเหมือนกันนะคิดไม่ทัน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 ที่จะเกิดประโยชน์ทำไปแล้วไม่เกิดโทษทำไปแล้วเกิดประโยชน์ทำไปแล้วสบายใจสร้างไปแล้วสบายใจทาไปแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่นควรจะทำแต่ถ้าไม่ทำเราคิดมาเออเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทำให้จิตใจของเราไม่สบายก็ยิ่งเมื่อข่าวทุกขับขันเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาแล้วเราละลึกถึงคุณงามความดีของเรา เราก็ยังได้แปลใจเออเมื่อเรายังแข็งแรงอยู่เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายเป็นที่ภาคภูมิใจจะตําหนิตนเองได้เพื่อภายหลังถ้า่าพวกเราทำแล้วเออเพียงพอการสร้างบุญสร้างกุศลของเราเพียงพอเป็นไปได้ขนาดนี้หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะใจของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขหนะรับพอในานนี้นะ